พวกเราก็ในเดินทางผุ้ดงร่วมกันเนาะมาประมาณเกือบประมาณครึ่งเดือนนะ <c oughs> แล้วก็ตำรวจดูตัวเองว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะ <c oughs> ในครึ่งเดือนเนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนาะ ก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนก็อาจจะต้องจบทริปในการเดินธุดงค์ของปีนี้นะเขาเรียกว่าผ่านมาครึ่งทางเราได้ตรวจสอบตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรสิ่งที่เราตั้งใจที่จะฝึกฝนเราทำได้ไหมหรือว่าเราเราหย่อนไปในสิ่งที่เรา ตั้งใจจะฝึกฝนนะแล้วก็ให้เราได้ทบทวนดูยางเหลื อ, อยังเหลืออีกครึ่งทางนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุนะที่มันทำให้เปลี่ยนแปลงก็เหลืครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะเราตั้งใจจะฝึกฝนอะไรนะ ที่มันมากขึ้นหรือว่าที่ฝึกฝนดีแล้วก็ตั้งใจทําให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะนะเราก็ลองทบทวนดูเพรา ะ, ะ, ะ, ะ, ะสิ่งที่เราฝึกฝนนะที่จริงก็มันคือกระบวนการที่ต้องฝึกฝนเรียกว่าแทบตลอดชีวิตนั่นแหล ะ, ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการฝึกฝนในช่วงทุดงมันก็ ทำให้เราได้ฝึกแบบเข้มข้นขึ้นเนาะในชีวิตของนักบวชนะมันมีสิ่งที่เราต้องเรียกว่าพิจารณาอยู่เหนื่งเนืองเนาะอย่างเช่นปัจจัยสีนะ่น่ะเราก็จะได้พิจารณาที่มันชัดเจนขึ้นเนาะปัจจัยสี่เสือเส้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะอันนี้ของเราก็ เรียกว่าคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะเพราะว่าเราก็ใช้สอยเท่าที่เรามีเนี่แหละเนาะเราก็ทําให้เห็นเนาะเพื่อพาคเครื่องห่มแค่นี้มันก็พออยู่ได้ละนแต่อาหารการกินนะน้าปานหนนี่วางวันวา ง, า ง, า ง, างช่วงนะก็เรียกว่ามีเยอะเนาะวางวันบา ง, บา ง, บา ง, บางช่วงก็พอดีนะเราได้รู้ทัน ใจเราไหมเวลาเราได้ได้รับอาหารหรือขณะที่ฉันอาหารนะจิตใจรู้สึกอย่างไรอ่านี้เนาะมีความอยากมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเราได้พิจารณาก่อนฉันนะเราได้พิจารณาขณะที่ฉันหรือเราได้พิจารณาขณะที่ดังฉันแล้วหรือเปล่าว่าเรา บริโภคอาหารนยะตามรลักพระธรรมวินัยที่พระเจ้าท่านท่านสอนเราไว้ไหมเนะี่ยเราก็ดูนะดูอืออืดูใจของเราทนะั้นัะว่าเป็นอย่างไรขนาดที่บริโภคขนาดที่ได้รับเสนาธ น, นะเนาะเราก็มีเยอะนะนะนะอืก็ไม่ได้ยากลำบากมากยารักษาโลกก็ อย่างที่ว่านะก็ตามมีตามได้แต่ส่วนใหญ่พอเราพอเราเดินทางแบบนี้นะบางทีไอ้โลกที่เคยเจ็บเจ็บไม่ค่อยสบายพอมาเดินทางแล้วมันก็มันก็หายไปบ้างนะความเมื่อยล้าต่างๆมันก็มีบ้างนะแต่พอตื่นขึ้นมามันก็ดีขึ้นนะเพราะที่จริงมันก็อยู่ในใจเป็นหลักนะโรคไัยไข้เจ็บนะถ้าใจเรา ถ้าใจเราสู้นะมันก็โรคไฟแค่เจ็บก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าใจไม่สู้ในโรคเล็กน้อยเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ถ้าใจสู้เนี่ยโรคนะ ก, ก็กลายเป็นเรื่องไปนะนี่คือปัจจัยสี่นะที่เราต้องพิจารณานะนี่คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับตัวเราเองก็ดีนะ รวทั้งเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยเนาะนะนะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างเราอยู่ด้วยกันนะปัจจัยสี่อะไรอย่างเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับหมู่คณะนะที่อยู่อาศัยอาหารการกินอะไรต่างๆเราก็ต้องเกี่ยวข้องมีการแบ่งปันกันไม่เบียดเบียนกันหรือเปล่านี่เนาะเราก็แต่ส่วนใหญ่เราก็ทําได้ดีนะเรื่องการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ มันก็ทำให้เราเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้นะอย่างที่ว่าบางทีเราเห็นบางคณะเนาะเวลาเขาทานอาหารได้รับสิ่งที่ได้รับมาบางทีก็ใช้แบบเรียกว่าสิ้นเปลืองนะกินแล้วก็ทิ้งเนี่ยซุ้ยซัวไล่นะแต่หมู่คณะพวกเราก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะกินหมดนะ ทิ้งก็ทิ้งเรียบร้อยแบบนี้เนาะเรีกว่าไปที่ไหนก็พยายามทำให้ที่นั้นๆนนเนาะเดือดร้อนให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ใช่แบบไปแล้วก็เหมือนเหมือนงานวัดนะ่ะเนาะคนมาเที่ยวงานวัดนะพอคนออกจากงานวัดแล้วขยะ ก, ก็เต็มไปหมดเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเราให้ทำตัวคล้ายๆเหมือน เหมือนพึ่งนะเหมือนพึ่งเหมือนแมลงที่เขากินเกสรดอกไม้ครับเวลาพึ่งไปหาน้ําหวานนะจากเกสรดอกไม้เขาก็ดูดเฉพาะน้ําหวานนะเอามาประทังชีวิตแล้วก็แล้วเขาก็ไปต่อไปหาน้ําหวานในดอกอื่นต่อนะดอกไม้ที่พึ่งไปหาน้ําหวานก็ไม่ได้เสียหาย แถมยังบางทีนําเกสรนนะของดอกไม้ดอกนั้นนะ่ะไปเรียกว่าไปผสมพันธุ์กับดอกไม้ดอกอื่นต่อนะคือนอกจากไม่ทําให้ดอกไม้เสียหายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อดอกไม้ในหมู่ดอกไม้ได้วยกันด้วยในการผสมพันธุนะ์พิกษุเราก็เหมือนกันนะนะผู้ที่จาริกก็เหมือนกันนะ เราไปในวัดไหนแห่งหนตำบลไหนเราก็พยายามทำให้วัดนั้นเดือดร้อนน้อยที่สุดเนาะนนแล้วก็เราก็ยังประโยชน์ให้กับที่วัดนั้นหรือว่าในชาวบ้านในแถบนั้นได้ให้เขาได้มีศรัทธามากขึ้นเนาะนนหรือศรัทธาที่เขาตั้งมั่นมากขึ้ น, น, น ศรัทธาคือความเชื่อมั่นนะความเชื่อใจนะในพรร ะ, นะัลตนาไตนะอได้เห็นนะบุคคลที่ตั้งใจสุกฝนตนเองนะเขาก็เกิดความชื่นใจขึ้นมานะก็เป็นความสุขใจนะอันนี้เราก็พอจะช่วยตรงนี้ได้นะถ้าเราถ้าเราสำรวมเล่าวังถ้าเราตั้งใจเราก็จะทําให้ชาวบ้านก็ได้มีศรัทธาตรง น, นี้มากขึ้น แม้เราอาจจะไม่ได้เน้นในการสั่งสอนอบรมอะไรนะเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมเชิงปัญญาแต่ก็อย่างน้อยก็ทำให้เกิดได้มีศรัทธาได้มีความเลื่อมใสได้มีจาคะนะความสละนะ่ะสละทานในการทำบุญทำทานบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนะ่ะ ซึ่งเราเองก็เหมือนเป็นผู้ได้รับเนาะเราเองก็ต้องพิจารณาในปัจจัยที่เราบริโภคให้มากขึ้นเป็นในส่วนของตัวเราเองเองก็เหมือนกันนะก็อาจจะต้องอย่างที่บอกว่าเรามีเวลาอีกไม่มากนะนะักเนาะเราก็ต้องดูว่ า, าการทุดดงนะคือการขัดเกลตัวเราเองอะไรที่เรา ต้องการจะฝึกฝนตัวเราเองให้ให้เข้มข้นขึ้นเนาะนะเราลองดูเวลาว่างๆเนะ่ยเราได้อยู่กับตัวเองไหมเนะี่ยได้ดูลมหายใจได้ดูการเคลื่อนไหวได้ดูใจของเราบ่อยๆไหมเวลาเรานั่งพักหรือเวลาเราก่อนเข้านอนนะต่างๆเนี่ยกิจวัตรต่างๆเราได้เห็นเห็นกายเคลื่อนไหว เห็ในใจคิดนึกบ่อยไหมนะเราได้กลับมาอยู่กับตัวเราเองบ่อยไหมนะหรือว่าใจเราเราฟุ้งซ่านนะเราแสบสายนะอยู่ไม่เป็นสุขเราลองเราลองหาเวลาพวกนี้นะครับฝึกฝนกลับมาอยู่กับตัวเองบ่อยๆนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจิตมันก็จะเป็นความเคยชินนะจิตนันมันเหมือน เราฝึกอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนสัตว์นะที่ที่มนุษย์ฝึกนะอสัตว์ทั่วๆั่วไปก็ถ้าไม่เคยฝึกมันก็ก็ตามสัญชาตญาณทั่วทั่วไปนะแต่ถ้าฝึกมาแล้วมันก็เอามาใช้งานได้มันก็มีความเคยชินใหม่ๆหมการฝึกตัว เ, เองก็เหมือนฝึกให้เกิดความเคยชินใหม่ๆเกิดขึ้นมานะอืเราเคยชินที่จะกลับมารู้ตัวนะ ต่อไปจิตมันก็จะเคยชินในการกลับมารู้ของมันเองนะอื่แรกๆก็มีความพยายามมีความตั้งใจนะแต่พอทําไปเรื่อยๆก็ก็เหมือนไม่ต้องตั้งใจมากนะมันก็มันก็ทําได้เนหะมือนเราสวดมน์นะะแรกๆเราต้องตั้งใจจําตั้งใจสวดนะมันถึงจะไม่ผิดแต่พอถ้าเราสวดไป ถ้าพักนึงแล้วมันก็ไม่ต้องตั้งใจมากนะมันก็สวดไปพร้อมกระหมูคณะได้นะมันก็ไม่ผิดนะก็ไม่เพี้ยนนะพอเราไม่ตั้งไม่ตั้งใจมากเกินไปมันก็ไม่เหนื่อยเกินไปนะมันเป็นความพอดีนะบางช่วงตั้งใจมากนี่มันก็เหนื่อยนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจเลยแล้วก็ยังไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยนะอืความพอดีมันเหมือนมีความตั้งใจแต่ก็มีความผ่อนคลายนะ แต่พอถึงจุดหนึ่งก็ลดความตั้งใจลงนะแต่มันก็ยังอยู่ในทางที่ถูกถูกทางอยู่เ น, ะนี่ยการภาวนาเองก็เหมือนการบางทีก็มีความตั้งใจนะเป็นเบื้องต้นแต่พอทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นความเคยชินนะเคยชินในการรู้ตัวนะเคยชินในการกลับมานะมีสตินะ เคยชินในการกลับมาอยู่กับตัวเองนะมาเห็นตัวเองอยเหมือนนี่ยพอมันเคยชินแบบนี้บ่อยๆมันก็มันก็เป็นนิสัยใหม่ของเราละเออนิสัยที่จะกลับมาดูตัวเองนะนิสัยที่จิตออไม่ไหลออกไปนานเนี่ยมันก็ไหลไปบ้างนะมันก็พุ่งออกไปบ้างะแต่ก็พุ่งไม่นานแล้วก็เหมือนกลับมากลับมาถ้าเปรียบเหมือนกับลมนะก็แบบ ลมแผ่วๆลมเบาๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงเหมือนคลื่นนะคลื่นน้อยๆ น, นะพอกระทบฟั่งก็ก็สงบได้จิตใจก็เหมือนกันนะบางทีก็มีการกระเพื่อมมีการวันไหวนะแต่พอเล็กน้อยพอรู้ทันนะมันก็สงบกลับคืนมาเป็นปกติได้อันนี้มันเป็นจิตที่ที่ทุกคนฝึกได้นะที่ทุกคนฝึกได้ นะก็หยุดที่ความตั้งใจแล้วก็อยู่ที่ความพยายามของเราเนาะในการฝึกฝนนะให้มันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินใหม่ๆเพินี่นนะก็เราก็อาศัยสถานการณ์ที่เราได้เดินทางนี่แหละนะนะในการฝึกฝนตัวเราเองนะบางครั้งอากาศก็หนาวนะบางครั้งอากาศก็ร้อนเนาะ บางครั้งก็เหนื่อยบางครั้งก็ล่มสบายอะไรนี้เนาะแต่ที่จริงก็สิ่งข้างนอกนะมันก็คือเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งให้มันเกิดผลกับร่างกายนี้นะเกิดผลกับจิตใจนี้เป็นอย่างไรเราก็คอยตามดูตามรู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเองนี่แหละนะเป็นหลัก นะเราก็เดินทางกันก็เส้นทางที่เดินหรือระยะทางที่เดินนะเจจริงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นความสำคัญมากนะคือมันเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเราเดินจมกลมในลูปในที่ไหนก็นแล้วแต่มันก็เหมือนมันก็เป็นเพียงแค่เส้นทางนะที่ทำให้เราได้กลับมาเห็นตัวเราเองนะ อันนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เดินจงกรมแบบกลับไปกลับมานะแต่เราก็เดินไปเรื่อยๆขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างตากแดดบ้างอยู่ในร่มบ้างนะถนนมีรถเยอะบ้างหรือไม่มีรถเลยก็ก็มีบ้างอย่างนี้นะมันก็เหมือนการเดินจงกรมแหละนยะมันก็ทำให้เราได้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะ แล้วมันก็ดีอีกอย่างนะมันเหมือนได้กระทบสิ่งใหม่มๆเร <c oughs> ื่อยๆนะสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆที่มันเกิดขึ้นมามันดีสิ่งใหม่ๆมันก็กระตุ้นให้เราได้เกิดเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเราก็เห็นการปรุงแต่งในใจหรือบางทีสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาไม่น่าสนใจนะจิตมันก็ปรุงแต่งเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างนะเออเราก็เห็นอ เห็นใจของเราเองเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราได้ได้มาเดินทางเนาะส่วนประสบการณ์รสชาตินะข้างนอกนะัมันเป็นมันเป็นเหมือนของแถมเนะี่ยเป็นของแถมนะมันก็มันเป็นเรื่องทางโลกนะมันเป็นเรื่องที่ มันก็เป็นประโยชน์ในการที่เราได้รู้ได้พูดคุยกันต่อนะแต่จริงประโยชน์ตรง น, นั้นจะน้อยเพราะว่าถัาพักหนึ่งไปเราก็จะลืมชื่อหมู่บ้านที่เราเดินน ะ, นะเดินผ่านมาก็ถ้าไม่จดไม่จำก็ลืมละหมู่บ้านอะไรวัดอะไรเนี่ยเส้นทางเป็นอย่างไรแบบนี้เนาะผ่านไปเป็นปีก็อาจจะลืมไปเยอะละแต่สิ่งที่เราจะ จะจำได้ถ้าเราเห็นนะเห็นอารมณ์ของเราเองเนอบางทีเราจะจําได้นะถ้าอารมณ์ที่มันเห็นชัดๆัดนะเวลามันกลัวเกิดขึ้นมานอเราเห็นความกลัวเกิดขึ้นมามันจะจําได้เวลาไม่พอใจเกิด like ขึ้นม า, <ating> นมาเราเห็นอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นมาเราจะจําได้เวล า, ม, านน ม, มันชอบมากๆโอ้มีความสุขมากๆพอเรารู้ทันลนะมันจะจําได้นะ นะความจำพวกนี้นะมันจะลึกกว่านะความจำในการเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกตัวเองเนะี่ยมันจะจำได้ลึกมันจะจำได้นานกว่าแต่อะไรบางอย่างมันเป็นแค่ผิวผิวเผลอๆเนี่ยนะถ้าพักหนึ่งก็ลืมไปนะนั้นเรากลับมาดูตัวเนี้ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ที่เรียกว่าจิตมันจะจำสภาวะต่างๆได้ เมื่อจิตมันจําสภาวะต่างๆได้นะต่อไปมันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดอารมณ์คล้ายๆกันนะจิตมันจะแว บ, บรู้ตัวของมันเองนะ่ะเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาจิตจะแว บ, บรู้ทันอ้อมันโกรธแล้วเนาะอนะนนะเวลาเกิดความอยากเกิดความพอใจขึ้นมานะเกิดความกลัวขึ้นมาความมันเคยจําได้นะจิตมันจะระลึกได้ของมันเองอ๋อเกิดอีกและนะ้วเนาะอะไรนะเราก็จะเห็นนะเห็นการเกิดของ อารมณ์ภายในใจนะจิตก็จะกลับมามีสตินะเมื่อเห็นแล้วมันก็จะดับไปให้เราเห็นอีกทีหนึ่งนะบางครั้งเราไม่เห็นตอนเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นมันก็ดับไปนะแต่ต่อไปถ้าสติมันเร็วขึ้นนะก่อนมันเกิดนะเราก็รู้ว่าใจเป็นปกติเป็นแบบไหนพอตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงนะ จิตเกิดการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาปุ๊บเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเราเห็นอ้อที่จริงตอนแรกมันปกตินะพอกระทบปุ๊บนะ่ะมันปรุงขึ้นมาครับนะ่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเห็นละอ่าพอเห็นละก็ดับไปได้อ้อนี่จิตมันปรุงแต่งเป็นแบบนี้เนาะอะเนีย้ยนะเราก็จะเห็นอันเนี้ยเห็นแบบนี้นะมันก็สนุกนะสนุกดูสนุกรู้สภ า, าวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเองเนี่ย นีนะ่ได้ประโยชน์มากนะได้ประโยชน์มากนะแล้วก็พยายามอาศัยวันเวลาเนาะนะในปัจจุบันนี่นแหละนะให้ให้เราได้เป็นเครื่องดัึกรู้กายใจของเราบ่อยๆนะเนาะพอวันคืนนะมันก็ล่วงไปล่วงไปนะผ่านไปเร็วมากนะอย่างที่พระเจ้าชั้นเตือนเราไว้วันคืนล่วงไปล่วงไปนะ บัดนี้เราทำอะไรอยู่หไหมเนาะการเดินทุ ด, ดงก็ผ่านมาครึ่งทางละน ะ, นะเราเราได้เรียนรู้สิ่งไหนนะและสิ่งไหนที่เราตั้งใจจะฝึกฝนให้มันมากขึ้นเข้มข้นขึ้นนักก็ให้เราได้ได้ทบทวนดูตัวเองนะครับนะก็ฝากไว้ครับ